การพัฒนามรคคาอยู่ในชีวิตของแต่ละคนแต่การฝึกฝนของสิกขากว้างไกลด้วยวินัยที่จัดตั้งวางระบบขยายออกไปไม่จบต่อไปนี้เป็นเพียงคำอธิบายเบตเตอเลดเพื่อย้ำบ้างเสริมบ้างในบางจุดของแง่ของเรื่องมรค ก, กับสิกขาไตรสิกขานั้น ถือกันว่าเป็นระบบการปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีขอบเขตครอบคลุมมรรคทั้งหมดเป็นการฝึกหรือเป็นระบบปฏิบัติการที่จะให้เนื้อหาของมรรคเกิดมีเป็นจริงขึ้นจนกระทั่งบริบูรณ์จึงเป็นหมวดธรรมมรมาตรฐานสําหรับแสดงหลักการปฏิบัติธรรมและมรรคใช้เป็นแม่บทในการบรรยายวิธีปฏิบัติธรรมข้อย้ําที่ว่า มักมีองค์แปดมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงทางสายเดียวมีส่วนประกอบ8ดอย่างเปรียบเหมือนทางหลวงที่สมบูรณ์ต้องมีอะไรหลายอย่างประกอบกันเข้าจึงสำเร็จเป็นถนนได้เช่นมีดินกรวดทรายหินลูกรังยางหรือคอนกรีตเป็นชั้นลำดับขึ้นมาจนถึงผิวทางรวมเป็นตัวถนนหรือพื้นถนนมีขอบคันเส้นแนว ความเอียงเทของที่ลาดชันโค้งเลี้ยวมีสัญญาณเครื่องหมายป้ายบอกทิศทางระยะทางและสถานที่เป็นต้นตลอดจนแผนที่ทางและโคมไฟในยามค่ำคืนถนนประกอบด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งหมดและผู้ขับรถเดินทางย่อมอาศัยส่วนประกอบเหล่านี้ทุกอย่างไปพร้อมๆกันชั้นใดมักก็ประกอบขึ้นด้วยอง์8ประการรวมกัน และผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้องค์ทั้ง8ขดองมักเนื่องไปด้วยกันโดยตลอดชั้นนั้นทั้งนี้โดยจัดสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะและสัมมาอาชีวะเข้าเป็นหมวดศีลเหมือนดังจัดกองดินที่ก่อนแน่นขึ้นพร้อมทั้งหินกรวดทรายวัสดุผิวจราจรที่เป็นตัวถนนหรือพื้นถนนเข้าเป็นพวกหนึ่ง จัดสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเข้าเป็นหมวดสมาธิเหมือนดังจัดขอบกัน้นคันถนนเส้นแนวโค้งเลี้ยวเป็นต้นที่เป็นเครื่องกำกับแนวถนนเป็นพวกหนึ่งจัดสัมมาธิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเข้าเป็นหมวดปัญญาเหมือนดังจัดสัญญาณเครื่องหมายป้ายโคมไฟเป็นต้นเป็นอีกพวกหนึ่ง ท่านจึงจัดองค์ทั้งแปดของมากนั้นเป็นสามขันคือสามหมวดคือศีละขันสมาธิขันและปัญญาขันแต่การจัดแบบธรรมคขัน3มนั้นมุ่งเพียงให้เห็นองค์ธรรมเป็นหมวดหมู่ตามประเภทส่วนการจัดเป็นสิกขาสามหรือไตรสิกขานี้มุ่งให้เห็นลำดับในกระบวนการปฏิบัติหรือใช้งานจริง คำว่าตรายสิกขาแปลว่าสิกขาสามคำว่าสิกขาแปลว่าการศึกษาการสำเนียกการฝึกฝึกหัดฝึกปรือฝึกอบรมได้แก่ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับฝึกอบรมพัฒนากายวาจาจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นหรือนิพพาน สิกขา 3. มีความหมายที่พูดคร่าวๆอีกทีดังนี้ 1. อธิศิลสิกขาการฝึกศึกษาในด้านความประพฤติระเบียบวินัยให้มีสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ 2. อธิจิตตสิกขาการฝึกศึกษาทางจิตใจพัฒนาคุณธรรมสร้างความสุขเสริมคุณภาพจิต แลรู้จักใช้ความสามารถในกระบวนสมาธิ 3. อธิปัญญาสิกขาการฝึกศึกษาทางปัญญาอย่างสูงทำให้เกิดความรู้แจ้งที่สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นโดยสมบูรณ์เป็นอิสระไร้ทุกข์สิ้นเชิงสิกขาคือฝึกศึกษานี้รับกันกับคำว่าภาวนาที่เป็นเรื่องของมาก ซึ่งแปลว่าการทําให้เกิดมีทําให้มีให้เป็นจเจริญเพิ่มพูนบําเพ็ญฝึกอบรมและบางทีมีสามเหมือนกันซึ่งมีในทีฆนิกายปาติกวัครคือกายภาวนาจเจริญกายจิตตภาวนาจเจริญจิตปัญญาภาวนาจเจริญปัญญา แต่อธิกะถาอธิบายว่าในที่นั้นหมายเฉพาะกายจิตและปัญญาที่พัฒนาแล้วของพระอาหารหันต์ภาวนาที่ใช้แสดงภาวะพัฒนาแล้วของพระอาหารหันต์นั้นตามปกติจัดเป็นสี่โดยมีศีลภาวนาเป็นข้อสองและนิยมใช้ในรูปภาวิตเป็นภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาตามลาดับนี้เป็นความหมายอย่างคร่าว ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องให้ความหมายเชื่อมโยงถึงความมุ่งหมายด้วยโดยเติมข้อความแสดงลักษณะที่สัมพันธ์กับจุดหมายต่อท้ายสิกขาทุกข้อได้ความตามลำดับว่ารายสิกขาคือการฝึกปรือความประพฤติการฝึกปรือจิตและการฝึกปรือปัญญาชนิดที่ทําให้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นาไปสู่ความสุข และความเป็นอิสระแท้จริงเมื่อความหมายแสดงความมุ่งหมายได้ชัดเจนแล้วก็จะทำให้มองเห็นสาระของไตรสิกขาแต่ละข้อดังนี้สาระของอธิศีนคือการดำรงตนอยู่ด้วยดีมีชีวิตที่เกื้อกูลทำกลางสภาพแวดล้อมที่ตนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์รักษา ให้อื้ออำนวยแก่การมีชีวิตที่ดีงามร่วมกันเป็นพื้นฐานที่ดีสาหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญปัญญาสาระของอธิจิตคือการพัฒนาคุณภาพจิตหรือการปรับปรุงจิตให้มีคุณภาพและสมรรถภาพสูงซึ่งเอื้อแก่การมีชีวิตที่ดีงามและพร้อม ที่จะใช้งานทางปัญญาอย่างได้ผลดีที่สุดสาระของอธิปัญญาคือการมองดูรู้จักและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือรู้เท่าทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลายที่ทำให้เป็นอยู่และทำการต่างๆด้วยปัญญาคือรู้จักวางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อโลกและชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะพอดีในทางที่เป็นไปเพื่อแร่ขยายประโยชน์สุขมีจิตใจผ่องใสไร้ทุกข์เป็นอิสระเสรีล่าสดชื่นเบิกบานสาระของตรายศิขาเริ่มด้วยอธิศินอันแสดงตัวออกมาไม่เฉพาะที่การปฏิบัติของบุคคลเท่านั้น แต่ส่องถึงหรือเรียกร้องภารกิจที่มนุษย์จะต้องจัดทาในระดับชุมชนและสังคมด้วยกล่าวคือการจัดวางระบบแบบแผนจัดตั้งสถาบันและกิจการต่างๆจัดแจงกิจกรรมและดำเนินวิธีการต่างๆโดยมีวินัยเป็นฐานของระบบที่เชื่อมโยงเข้าสู่ศีลเพื่อให้สาระของตรายสิกขาเป็นไปในหมู่มนุษย์ หรือให้มนุษย์ดารงอยู่ในสาระของตรายสิกขาโดยในยะนี้เมื่อพูดถึงศีลในความหมายที่ครอบคลุมโดยรวมไปถึงจุดตั้งต้นที่วินัยด้วยศีลก็กินความถึงการจัดสรรสภาพแวดล้อมทั้งทางวัตถุและทางสังคมที่ปิดกั้นโอกาสในการทำชั่วและส่งเสริมโอกาสในการทำความดีเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบสังคมและจัดการกิจกรรมกิจการโดยจัดตั้งชุมชนองค์กรหรือสถาบันวางระบบกำหนดโครงสร้างตราหลักเกณฑ์กฎข้อบังคับบทบัญญัติต่างๆเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลจัดกิจการของส่วนรวมส่งเสริมความอยู่ร่วมกันด้วยดี ซึ่งดังที่กล่าวแล้วมุ่งปิดกั้นช่องทางทำกรรมชั่วและเปิดขยายโอกาสสำหรับทำความดีเสริมสร้างสภาพเอื้อสำหรับการศึกษาพัฒนามนุษย์เรียกด้วยคำศัพท์ที่ตรงแท้ทางพระศาสนาว่าวินยัยถ้าพูดอย่างเร่งครัดแยกกันให้ชัดการจัดตั้งวางระบบที่เรียกว่าวินัยนี้ เป็นการจัดเตรียมการที่จะทำให้คนมีศีลหรือเป็นเครื่องมือฝึกคนให้มีศีลยังไม่ใช่เป็นตัวศีลแท้แต่เพราะเหตุที่ว่าเมื่อมองในแง่ของการศึกษาหรือการฝึกคนวินัยนั้นก็พ่วงมากับศีลเป็นฐานของศีลเมื่อพูดคลุมคลุมก็เลยเรียกรว ม, รวมไปในศีลด้วย วินัยนี้พึงจัดวางขึ้นให้เหมาะกับความมุ่งหมายของชุมชนหรือสังคมระดับนั้นๆเช่นวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสำหรับสังฆะทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของภิกษุและภิกษุณีแต่ละรูปกับทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดระบบความเป็นอยู่ของชุมชนการปกครอง การสอบสวนพิจารณาคดีการลงโทษวิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระเบียบและวิธีดำเนินการประชุมตลอดกระทั่งระเบียบปฏิบัติและมันยา่าต่างๆในการต้อนรับแขกในการไปเป็นอาคารตุกกะและในการใช้สาธารณาสมบัติเป็นต้นซึ่งคำว่าวินยัยมักมองกันแคบๆเพียงแค่ บ, บทบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัว นับว่าความเข้าใจความหมายของวินัยได้เรียวลงมากมองนอกสังฆะออกไปก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำหลักการกว้างๆไว้สำหรับผู้ปกครองบ้านเมืองจะพึงนำไปกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติต่อสังคมวงกว้างระดับประเทศชาติเช่นทรงสอนหลักที่เรียกว่าจักรวัติวัตรให้พระเจ้าจักรพรรด จัดการคุ้มครองป้องกันอันชอบทําให้เหมาะสมกับประชาชนแต่ละจำพวกแต่ละประเภทให้วางวิธีการป้องกันแก้ไขปราบปรามมิให้มีการอนธรรมหรือความชั่วร้ายเดือดร้อนขึ้นในแผ่นดินให้หาทางจัดแบ่งปันรายได้หรือเฉลี่ยทุนทรัพย์มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแผ่นดินเป็นต้นตัวอย่างการจัดวินัยสาหรับสังคมระดับประเทศตามแนวคาสอนนี้ ที่เด่นก็คงได้แก่ระบบการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชวินัยที่จะเสริมสร้างศีลสำหรับสังคมวงกว้างนี้ถ้าจะพูดตามภาษาปัจจุบันก็คือระบบการปกครองทั้งบริหารนิติบัญญัติและตุลาการระบบเศรษฐกิจระเบียบแบบแผนทางขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตลอดถึงระบบการทางสังคมอย่างอื่นรวมทั้งส่วนปลีกย่อยที่สาคัญ เช่นวิธีอํานวยหรือไม่อํานวยโอกาสเกี่ยวกับแหล่งเริงรมสถานอบายมุขสิ่งเสพติดการประกอบอาชญากรรมต่างๆและมาตราการเกี่ยวกับการงานอาชีพเป็นต้นอาธิจิตหรือสมาธิว่าโดยระดับสูงสุดหรือเต็มรูป ก็ได้แก่สมถะวิธีหรือวิธีบำเพ็ญกรรมฐานฝ่ายสมถะแบบต่างๆซึ่งมากอาจารย์มากสำนักปฏิบัติได้เพียนจัดเพียนกำหนดกันขึ้นและวิวัฒนาการเรื่อยมาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาดังที่ปรากฏเป็นแบบแผนในชั้นอัตถกถาและขยายและดัดแปลงต่อๆกันมาแต่เมื่อมองอย่างกว้างๆให้คลุมไปทุกระดับก็ยอมกินความถึง วิธีการและอุปกรณ์ทั้งหลายที่จะช่วยชักจูงจิตใจของคนให้สงบให้มีจิตใจยึดมั่นและมั่นคงในคุณธรรมเราใจให้ฝากใยและมีวิริยะอุตสาหะในการสร้างความดีงามยิ่งขึ้นไปมองกว้างออกไปเหมือนมองศีลคลุมถึงวินยัยทีจิตตศิกขาก็คลุมลงไปถึงการจัดระบบกัญยาณมิตร และจัดสรรสปายะทั้งเจ็ประการรวมทั้งอุบายวิธีต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพจิตของคนให้คนพร้อมที่จะก้าวไปในทางของการเจริญสมาธิและที่จะพัฒนาจิตใ จ, จ ย, ยิ่งขึ้นไปเช่นการมีสถานที่พักผ่อนยอนใจอันสงบร่มรื่นตักจูงความคิดในทางที่ดีงามการสร้างบรรยากาศในสถานที่อยู่อาศัยในที่ทางาน สถานประกอบอาชีพเป็นต้นให้สดชื่นแจ่มใสประกอบด้วยเมตตากรุณาชวนให้อยากทำแต่ความดีและทำให้มีคุณภาพจิตปราณีตยิ่งขึ้นกิจกรรมต่างๆที่ปลูกร้าคุณธรรมการส่งเสริมกำลังใจในการทำความดีความมีอุดมคติและการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงมีสมรรถภาพสูง สำหรับคำว่าสัพปายะหมายถึงสิ่งที่สบายเหมาะกันเกื้อกูลสภาพเอื้อสภาพที่เกื้อหนุนการเจริญภาวนาช่วยให้สมาธิมั่นไม่เสื่อมปรากฏในพระไตรปิฎกกระจายอยู่หลายแห่งต่อมาในชั้นอัธกถ า, าท่านประมวลว่ามีเจ็ดคืออาวาสหรือเซนาสนะหมายถึงที่อยู่โคจระหรือโคจรคือแหล่งอาหาร ภัศหรือธรรมัสวัชนะการพูดจาสดับฟังบุคคลโภชนะหรืออาหารและอุตตุ ค, คือดินฟ้าอากาศหรือสภาพแวดล้อมอิริยาบถทั้งเจดข้อนี้ที่เหมาะที่เอื้อถูกกันช่วยเสริมเป็นสัปปายะเช่นเป็นบุคคลสัพปายะที่ไม่เอื้อเป็นอาศัพปายะ อธิปัญญาว่าโดยรูปศัพท์ที่เคร่งรัดก็คือวิปัสนาภาวนาซึ่งมีวิวัฒนาการในด้านวิธีฝึกปฏิบัติจนเป็นแบบแผนทรานองเดียวกับสมถะวิธีแต่เมื่อมองให้กว้างตามสาระและความมุ่งหมายเรื่องของปัญญาก็ได้แก่กิจการฝึกปรือพัฒนาความรู้ความคิดซึ่งเรียกกันว่าการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดที่อาศัยกัลยาณมิตรโดยเฉพาะครูอาจารย์ มาช่วยถ่ายทอดสุดตะคือความรู้แบบรับถ่ายทอดหรือแบบเล่าเรียนสะดับฟังและความจัดเจนในศิลปะวิทยาต่างๆเริ่มแต่วิชาชีพหรือเรื่องระดับศีลเป็นต้นไปแต่การที่จะเป็นอธิปัญญาได้นั้นเพียงความรู้ความจัดเจนในวิชาชีพและวิทยาการต่างๆหาเพียงพอไม่ผู้สอนพึงเป็นกัลยาณมิตร ที่สามารถสร้างศรัทธาและสามารถชี้แนะให้ผู้เรียนเป็นคนรู้จักคิดเองได้อย่างน้อยทำให้เขามีความเห็นชอบตามคลองธรรมและถ้าสามารถทำได้ยิ่งกว่านั้น mm. ก็ให้เขารู้จักมองโลกและชีวิตอย่างรู้เท่าทันความจริงที่จะให้วางใจวางท่าทีมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นผู้มีการศึกษาชนิดที่ขัดเกลากิเลสและแก้ทุกข์ได้ สามารถทำประโยชน์แก่ผู้อื่นพร้อมกับที่ตนเองมีจิตใจเป็นสุขการฝึกฝนอบรมในข้อนี้ตามปกติเป็นภารกิจของสถานศึกษาต่างๆธรรมดาสถานศึกษาทั้งหลายนั้นยอมสมควรเกื้อหนุนให้บุคคลฝึกปรือพัฒนาครบทั้งสระดับคือทั้งศีลสมาธิและปัญญาไม่ใช่มุ่งแต่ปัญญาอย่างเดียวทั้งนี้โดยเหตุผลว่า อธิปัญญาเป็นการศึกษาขั้นสูงสุดซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยดีต้องอาศัยการศึกษาสองระดับแรกเป็นพื้นฐานและยิ่งกว่านั้นการศึกษาหรือการฝึกปรือสามขั้นนี้มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส่งเสริมกันและกันเมื่อพัฒนาครบทั้งสามขั้นจึงจะก้าวถึงอธิปัญญาได้จริงและเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ ลำดับขั้นตอนของการส่งผลต่อกันในการฝึกอบรมหรือปฏิบัติตามไตรสิกขาอย่างพื้นพื้นขั้นตน้ตนๆพอจะมองเห็นได้ง่ายๆก็เช่นว่าเมื่ออยู่ร่วมกันในหมู่หรือในสังคมโดยสงบเรียบร้อยไม่ต้องคอยหวาดระแวงหรือสะดุ้งสถานวันไหวแต่สดใสด้วยไมยตรีใจก็สงบสบายเมื่อใจสงบสบาย ก็พอจะใช้ความคิดพิจารณาทำความเข้าใจอะไรๆ ไ, ได้หรือเมื่อไม่ได้ทำความผิดอะไรก็มีความมั่นใจในตนเองจิตใจก็แน่วแน่เมื่อจิตใจแน่วแน่ก็คิดอะไรๆ ไ, ได้อย่างจริงจังความคิดก็พุ่งแล่นได้ผลหรือเมื่อประพฤติดีเช่นเอื้อเฟื้อช่วยเหลือใครเขาใจก็ปลาบลืมปีติ มีความสุขหรือปลอดโปร่งผ่องใสเมื่อใจโปรง่งความคิดก็โล่งและฉับไหวหรือเมื่อไม่ได้มีเรื่องราวเบียด เ, เบียนเป็นเวนภัยกับใครใจก็ไม่ขุนมัวไม่กระทบกระแทกติดขัดเมื่อใจไม่ขุนมัวไม่มีแง่มีงอนจะพิจารณาเรื่องราวอะไรก็มองเห็นชัดถูกต้องไม่เขวไม่ลำเอียงดังนี้เป็นต้น จากพื้นฐานที่พร้อมดีอย่างนี้จึงพัฒนาประณีตสูงขึ้นไป